ชาติภูมิพระคุณเจ้าหลวงปูชอบฐานะสมองมีชาติกำเนิดในสกุลแก้วสุวรรณเดิมชื่อบ่อเกิดเมื่อวันที่ส2องกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,444 ตรงกับวันพุธขึ้นห้าค่ำเดือนสามปีฉลูณนะบ้านโคกมนตาบุผาน้อย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 ชื่อแดงแก้วสุวรรณสน้องชายสุดท้องชื่อสินแก้วสุวรรณทั้งน้องสาวและน้องชายรวมสามคนนี้ปัจจุบันถึงแก่กรรมไปตามกาลเวลาหมดแล้วโยมบิดามารดาเล่าให้ท่านฟังว่าบรรพบุรุษต้นตระกูลของท่านนั้นเดิมมีถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่ อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีอาชีพหลักคือการทำนาแต่โดยที่พื้นที่เป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่การทำนาต้องอาศัยไหล่เขายกดินเป็นขั้นบันไดเป็นชั้นๆไปจึงจะปลูกข้าวได้แม้จะลงแรงทำมาหาเลี้ยงกันอย่างไม่ยอมเหนื่อยต้องทำไร่ตามดอยเพิ่มเติม แต่ก็ไม่ค่อยพอปากพอท้องโดยเฉพาะบางปีถ้าฝนแห้งแรงข้าวไม่เป็นผลพืชล้มตายก็อดอยากแร้นแค้นจึงได้คิดโยกย้ายไปสแสวงหาถิ่นทำกินใหม่ซึ่งจะเป็นที่ราบลุ่มอันไม่เป็นที่ดอนที่เขาเช่นแต่ก่อนตระกูลของท่านพากันอพยพหนีความอัตคัดฟืดเคือง มาหาภูมิลำเนาใหม่ผ่านหุบเหวภูเขาสูงของอำเภอด่านซ้ายผ่านป่าดงพงทึบของภูเรือภูฟ้าภูหลวงได้มาพบชัยภูมิใหม่เหมาะคือที่บ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่าใกล้หุบห้วยเหมาะแก่การเพราะปลูก จึงช่วยกันหักล้างถางป่าออกเป็นไรนาสาโทคงยึดอาชีพหลักคือการทำนาเช่นเดิมณนะที่บ้านโคกมนนี่เองที่เด็กชายบ่อบุตรชายคนหัวปีของสกุลแก้วสุวรรณได้ถือกำเนิดมาเป็นประดุษพญาช้างเผือกที่มีกำเนิดจากกลางไัยพลึกทำให้ชื่อป่าที่เกิดของพญาช้างเผือกนั้น เป็นที่รู้จักกระจรกระจายไปทั่วสารทิศฉันใดลุงปู่ก็ทําให้ชื่อหมู่บ้านโคกมลบ้านที่เกิดของท่านเป็นที่รู้จักเป็นที่จาริกสวัสดิบุญของบรรดาชาวพุทธทั่วประเทศฉันนั้นชีวิตตอนเป็นเด็กของท่านนับว่ามีภาระเกินไหวด้วยเกิดมาเป็นบุตรหัวปี ต้องมีหน้าที่ช่วยบิดามารดาทำงานในเรื่องสวนไร่นาพร้อมทั้งต้องทำหน้าที่พี่ใหญ่ดูแลน้องๆหญิงชายทั้งสามด้วยบ้านโคกมนในปัจจุบันนี้แม้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจะคุยให้เราฟังว่ามีความเจริญขึ้นกว่าเมื่อเจ8 0ปปีก่อนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ แต่ในสายตาของเราชาวกรุงก็ยังเห็นสภาพเป็นบ้านป่าชนบทอยู่มากดังนั้นหากจะนึกย้อนกลับไปสมัยที่ท่านยังเป็นเด็กเล็กอยู่ณนะที่นั้นบ้านเกิดของท่านก็คงมีลักษณะเป็นบ้านป่าเขาที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันตัวเป็นเกลียวโดยไม่เลือกว่าผู้ใหญ่หรือเด็ก ระหว่างที่พวกผู้ใหญ่ต้องไถหวานปักกล้าดำนาเด็กๆ ก, ก็ต้องเลี้ยงควายคอยส่งข้าวปลาอาหารเด็กโตหรือลูกหัวปีอย่างท่านก็ต้องช่วยในการไถปักกล้าดำนาด้วยขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูแลน้องๆกลับจากทำนาก็ต้องช่วยกันหาผักหญ้าหนอ่อหวายหน่อโจดหน่อบง หน่อไม้รู้จักว่ายอดอ่อนของต้นไม้ชนิดใดในป่าในท้องนาควรจะนำมาเป็นอาหารได้เช่นยอดติว้วใบหมักเม้าผักกระโดนโดยมากเด็กชายบ่อจะพอใจช่วยบิดามารดาทางด้านเลือกสวนไรนามากกว่ากล่าวคือจะช่วยเป็นภาระทางด้านเลี้ยงควาย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 ท่านจะไม่ร่วมวงเล่นด้วยอย่างเด็ดขาดพูดง่ายๆท่านไม่มีนิสัยทางปานาติบาตมาแต่เด็กนั่นเองความลำบากยากแค้นในการำดำรงชีวิตขณะนั้นเป็นเช่นไรเราคงจะพออนุ ม, มาณกันได้โดยในสมัยหลังเมื่อท่านและหลวงปู่หลุยมาคุยกันถึงการครองชีพที่จังหวัดเลยระยะที่ท่านทั้งสองเป็นเด็กเล็ก ซึ่งเมื่อบรรดาสิทธ์ได้ยินเข้าก็อดที่จะนึกสงสารน้ำตาร่วงไปด้วยไม่ได้พวกเด็กๆต้องจับปูจับปลาในานาในหนองน้ำปลาเล็กปลาน้อยลูกกบเขียดใช้ได้ทั้งนั้นวันหนึ่งได้เขียดมาเพียงตัวเล็กๆก็ต้องปิ้งให้น้องๆกินโดยจัดแบ่งเก็บไว้สำหรับบิดามารดาด้วยน้องๆยังเป็นเด็กเล็ก ไม่ต้องใช้แรงงานอะไรฉะนั้นจึงแบ่งให้เพียงขาเดียวไม่ใช่ไก่ไม่ใช่กบไม่ใช่ปลาตัวใหญ่โตอะไรแต่เป็นเขียดตัวเล็กผอมกระจ้อยร่อยดังนั้นเมื่อ น, น้องๆได้รับส่วนแบ่งเพียงเขียดพิ้นขาเดียวจึงร้องไห้วอนขอพี่ชายให้เพิ่มอีกโดยจะขอกินทั้งตัว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 ไม่ค่อยพูดเล่นหัวเพื่อนถามคำหนึ่งก็ตอบคำหนึ่งเล่นคนเดียวยียบเงียบมากกว่าจะสนุกสนานเฮฮาถ้าหากจะมีการเล่นและคุยกับเพื่อนฝูงบ้างก็มักชอบเล่นแต่กับเพื่อนที่มีอายุน้อยกว่าเล็กกว่าเสมอท่านแสดงนิสัยองอาจเด็กเดียวมาแต่เด็กโดยไปไหนชอบไปคนเดียวไม่อาัยหมู่พวก ซึ่งนิสัยองอาจเด็ดเดี่ยวที่ฝังตัวมาแต่เล็กแต่น้อยนั้นก็ได้ปรากฏชัดเจนในภายหลังเมื่อท่านเข้าสู่เพศคอรอผ้ากาสอพักแล้วก็ออกเดินผุ้ดงจาริกสแสวงธรรมไปในป่าดงพงทึบแต่ลำพังองค์เดียวอย่างไม่หวาดเกรงภัยอันตรายใดๆเหมือนพญาช้างสารที่ละโขงบริวาร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 อย่าว่าแต่แถวบ้านโคกมนเมื่อเจสิบกว่าปีก่อนจะไม่มีโรงเรียนเลยแม้แต่ในกรุงเทพมหานครพระนะครหลวงของเมืองไทยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็ยังมีโรงเรียนเพียงไม่กี่แห่งแต่อย่างไรก็ดีเด็กชายบ่อก็ยังสนใจในการศึกษาเล่าเรียนจนสามารถพออ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้บ้างซึ่งก็ น, นับว่า เก่งพอใช้แล้วสำหรับเด็กชนบทในหมู่บ้านห่างไกลจังหวัดเช่นนั้นท่านเล่าว่าความรู้ในการอ่านเขียนนี้ท่านเรียนมาจากพระพิสุในวัดซึ่งทำให้ชีวิตของท่านคุ้นเคยกับวัดมาแต่เล็ก